เอทะปัตสธติมังโลกังจิตตังราชถูปมังยัะภาลาวิสีทันตินัตถิสังโควิชาณตังท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันวิจิตตรการตาดุดราชรสที่พวกคนเข่าหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่จเจริญสุขจเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติทุกท่านวันนี้รายการธรรมสุสัติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังผู้สนใจฝ่าธรรมอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ ซึ่งปกติแล้วอาตมาได้นำเสนอธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเพื่อจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการฟังธรรมเพื่อสร้างปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาจะนำเราให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมบาปปุลกุณโทษตามที่เป็นจริงซึ่งวันนี้ก็จะขอนำเสนอธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่ด้านได้บรรยายไว้ในคราวที่สาธุชนเข้าไปศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติในเรื่องทานกุศลย่อมให้ผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงขอเชิญท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านมาตั้งจิตน้อมใจให้สงบ เพื่อบุญกุศลที่จะได้เกิดกับเราอย่างเต็มที่ติดตามรับฟังธรรมะบัญญายไปพร้อมๆกันนี้มีเรื่องสำคัญสคัญที่จะคุยให้ทราบและก่อนอื่นก็ใครจะเ จ, ะจะริญพรเรื่องที่น่าชื่นอกชื่นใจเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่อาตมาเคยกล่าวเสมอว่า ท่านที่มาร่วมบำเพ็ญบารมีด้วยกันที่นี่นั้นเราชี้แนะแนวทางในการบำเพ็ญบารมีที่ให้ได้ผลดีเพราะเหตุว่าการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยทั้งสิบประการ มีทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาและอุเบกขาบารมีนั้นเราชี้แนะแก่ท่านพาท่านนำท่านบำเพ็ญบารมีนี้ให้ได้ผลมากที่สุดตัวอย่างเช่นทานกุศล นั่นจำเพาะแต่ทานกุศลอย่างเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานของบารมีอื่นๆที่จะบำเพ็ญร่วมกันหรือท่านผู้ใดจะบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรคผลในระดับใดนี่หมายเอาระดับ ของพระอาหารหันต์บุคคลขึ้นไปว่าระดับปกติสาวกสีติมหาสาวกพุทธอุปถาพุทธบิดาพุทธมารดาและอัครสาวกถึงพระปัจเจพุทธเจ้าพระสัพพัญยูพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นจำเพาะ แต่ทานกุศลอย่างเดียวถ้าท่านผู้ใดรู้จักบำเพ็ญบารมีจำเพาะในข้อทานกุศลอย่างเดียวนั้นบารมีที่ปรากฏทับทวีแก่ตนจากบุญเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นบารมีอุปบารมีปรมามัติบารมีถึงรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเชียบขาด ถึงพระพุทธเจ้านิพพานถอดกายและพระพุทธเจ้าในนิพพานเป็นถ้ารู้จักบำเพ็ญว่าบุคคลที่จะบริจาคเสียสละทานกุศลให้เป็นผู้อบรมกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาและยังด้วยเจตนาความคิดอ่านในการทำบุญ ให้รู้ว่าทำบุญสิ่งใดเป็นแก่นสารสาระที่สุดนี่ตรงนี้แหละที่อาตมาชี้แนะนําว่าลักษณะของบุญที่จะเป็นแก่นสารที่สุดก็บุญที่เป็นทั้งอมิสสานและธรรมทานอามิสทานนั้นเบื้องต้นหลักใหญ่ก็ได้แก่ ปัจจัยสี่ผู้ที่เสียสละ ก, กำลังกายก็ดีสติปัญญาความสามารถแหลกกำลังรัพย์เป็นปัจจัยสี่เพื่อทำนุบำรุงบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีศีลมีธรรมและกำลังประพฤติปฏิบัติขจัดขัดเกลากิเลสตนเพื่อสร้างพระในใจตนแล้วยังช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นสุดความสามารถเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ภ, รภูมิธรรมภูมิปัญญาของตน นี่แหละเป็นมหานิสงและในขณะเดียวกันธรมนุบำรุงบุคคลคณะบุคคลเพื่อเป็นไปในการประพฤติพรหมจรรย์ในการศึกษาในการอบรมในการปฏิบัติภาวนาธรรม เพื่อขจัดขัดกลาวกิเลสเช่นนั้นด้วยนี่เป็นธรรมทานตนเองก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นด้วยนี่ก็เป็นธรรมทานและยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้อื่นได้รับแสงสว่างแห่งธรรมะไม่มีประมาณอีกด้วยก็ยิ่งด้วยธรรมทาน เพราะฉะนั้นบุคคลใดมีกายวาจาและใจที่ได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมหรือจะแยกกล่าวเป็นทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถึงปฐมมรรคมรรจิตมรรปัญญาทำโคตรภูโสดาพระสกิทการนาคารหัดถึงตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าใดใด ระดับใดก็ตามย่อมมีเจตนาที่บริสุทธิ์กระทำไปเพื่อความบริสุทธิ์ไม่มุ่งหวังลาบสักการะด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานแต่เป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างนี้ ผลบุญจากทานกุศลอย่างนี้คือทานกุศลอันเกิดแต่ผู้บริจาค ก, ก็มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อบุคคลคณะบุคคลเพื่อกิจกรรมที่บริสุทธิ์แก่บุคคลคณะบุคคลที่พยายามประพฤติปฏิบัติ ไปเพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยของผู้อื่นด้วยอย่างนี้ยิ่งด้วยอาลิสงทีเดียวยิ่งด้วยอาลิสงทีเดียวจริงอยู่เราอาจจะหาบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าจะพบหรือไม่พบข้อนั้นไม่เป็นประมาณ เพราะว่าถ้าเราพบก็ยิ่งโดยบุญกุศลถ้าเรารู้จักไม่รู้จักพบหรือไม่พบแต่ว่าเจตนาความคิดอ่านของเราเป็นไปเพื่อการชำระขะจัดขดัดเกลากิเลสตนแก่ผู้อื่นด้วยอย่างนี้ เป็นเจตนาบริสุทธิ์แล้วให้ผลเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมากทีเดียวอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังทั้งในส่วนของเรื่องราวที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทรงปรารส ในสมัยที่ทรงพระชนชีพอยู่สักตัวอย่างสองตัวอย่างก็จะรู้อานิสงส์ว่าทรงผลอย่างไรในสมัยพุทธกาลมีสมัยหนึ่งที่พระได้อยู่ที่ถ้ำปิดผลิ เมื่อจะออกจากนิโรธสมาบัติก็ตรวจดูว่าใครหนอสมควรจะได้รับการโปรดก็จะไปบินทบัติเห็นนางกุณธิดานางหนึ่งปรากฏขึ้นในขายยานของท่านเป็นชาวนาดูแลรักษาผืนนาข้าวสาลีสมควรจะโปรดก็ออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว รองจีวรนพร้อมด้วยบาทเดินไปในที่นั้นก็พอดีกับนางกุณธิดานั่นเอาข้าวสาลีไปทำข้าวตอกพอเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถวายข้าวตอกทั้งหมดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็อิ่มใจในบุญ เสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าพระคุณเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมใดก็ขอให้ได้รู้บรรลุธรรมนั้นด้วยตรงนี้ชี้ให้เห็นข้อพิเศษของการอธิษฐานจิตของคนผู้มีปัญญาไม่ได้อธิษฐานเพื่อลาบสักการะใดๆ แต่จะอธิษฐานเพื่อบรรลุธรรมที่ควรบรรลุที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุแล้วเท่านั้นแหละให้สังเกตว่าการอธิษฐานจิตเพียงเท่านี้นะเพียงพอนะหรือจะอธิษฐานว่าขอจงสำเร็จมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง ไม่ต้องไปอธิษฐานขอให้ได้มีวิมานกี่ชั้นขอให้ได้เป็นโน่นเป็นนี่บุญเขาทำหน้าที่ของเขาเองนางกุนทิดาอธิษฐานจิตได้รับพรจาก<ม>ก็เดินทางกลับมาตามคัณาพอดีงูกัดงูพิษร้ายกัดตายทันที ก็เหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นปรากฏในวิมานยี่สบสาสโยชน์วิมานทองพร้อมด้วยบริวาร น, นางอับสรเป็นบริวานนี่เป็นพันตัวเองก็ทรงเครื่องอลงกรสวยงามระยิบระยับเป็นธรรมดาของเทพพยดาที่เมื่อปรากฏอุบัติขึ้นแล้วก็จะตรวจสมบัติของตนว่าเออได้มาอย่างไง ตรวจดูก็เห็นวา่าเราทำบุญนิดเดียวเนี่ยกับพระันแม่เราทำบุญน้อยนิดเดียวเผอเผตายในขณะที่ใจอิ่มเปี่ยมด้วยบุญก็เลยนึกว่าควรจะได้อุปถากเพื่อทำทรัพย์สมบัติของเรานี่ให้ยั่งยืนถาวรยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดได้แล้วก็ปรากฏกายเป็นมนุษย์ เป็นนางคุณธิดาเนะี่ยคอยทำความสะอาดรอบรอบที่พักตักน้ำตักท่ามาเตรียมไว้ทุกวันก็นึกว่าใครมาทำให้คงจะเป็นพระหนุ่มเนนน้อยทำให้ภายหลังและเหลือบสังเกตดูเอเห็นรัศมีเชรไมอ๋อนี่เทวดานี่นางเทศธิดานี่แหละมาทำก็ดุเนะี่ย ไล่ไปบอกเธออย่ามาทำให้นางเทพธิดาซึชื่อว่าลาชะก็มีความเสียใจก็อยากจะปรนนิบัติท่านร้องไห้ตื้ออยู่นั่นแหละทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ยืนร้องไห้อยู่กลางอากาศปรากฏกายเป็นนางเทพธิดา เสียงร้องไห้เน่ยถึงพระกันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่านี่นางเทพธิดาฟังให้ดีตรงนี้ก็มีเรื่องที่ควรสนใจนี่นางเทพธิดานะเรื่องของการสํารวมเป็นเรื่องของพระภิกษุผู้บุตรของเราแต่ว่าเรื่องของการทําบุญน่ยเป็นเรื่องของว่าใคร เห็นเรื่องการบุญการกุศลเป็นประโยชน์ก็ย่อมเป็นภาระของผู้นั้นจะคิดทำบุญเอาแต่แปลอย่างง่ายๆก็คือว่าเรื่องบุญกุศลเป็นเรื่องของโยมผู้ต้องการบุญก็แปลว่าทำไปเอถอะเท่าที่สามารถจะทำได้เมื่อโอกาสอำนวย แต่ว่าเรื่องของการสํารวมเป็นเรื่องของพระภิกษุผู้สาวกของพระพุทธเจ้าคนละเรื่องกันแล้วก็ทรงแสดงต่อไปว่าถ้าบุรุษจะพึงกระทำบุญไซพึงกระทำบ่อยๆแล้วก็พึง ทำความยินดีในบุญกุศลนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ขัดข้องเรื่องบุญตรัสถึงเรื่องบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทานกุศลอย่างนี้ว่า พึงทำบ่อยๆเมื่อมีโอกาสเมื่อมีกำลังอย่าไปนึกว่าฉันทำบุญทีเดียวทีหนึ่งแล้วไม่ต้องทำอีกแต่ว่าบุญเป็นเรื่องต้องสังสมเป็นบารมีเป็นอุปะบารมีประมัติบารมนะีบุญเป็นทานบุญเรื่องของทานกุศลก็จะได้ชื่อว่าทานบารมีเมื่อแก่ก้าขึ้นทานอุปะบารมีทานประมัติบารมี เป็นพื้นฐานแก่บารมีอื่นๆทั้งสิบประการที่อาตมาได้กล่าวแล้วแต่ต้นให้เจริญงอกงามแก่กล้าขึ้นเป็นพลังสำคัญให้สามารถปฏิบัติธรรมบรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงได้นี่เลยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ทีนี้บุญปรากฏเมื่อกี้นี่ปรากฏ ภายหลังเมื่อตายลงเป็นนางเทพธิดาเป็นเทพผูบุตรเทพธิดาไปตามศัก์แห่งบุญที่นี่ในปัจจุบันในชาติหรือไม่ก็ในชาติที่เป็นมนุษย์ก็ได้รับบุญเหมือนกันนะอย่าสงสัยว่าทำแล้วจะไปได้แต่ชาติหน้า จริงๆแล้วบุญเมื่อทำแล้วได้เลยก่อนอื่นก็คือได้ความอิ่มใจว่าเราได้เสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถแลลกกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ หรือคณะบุคคลหรือในกิจกรรมที่ดำเนินไปเพื่อความประพฤติพรหมจรรย์เพื่อชำระขจัดขัดเกลากิเลตตนและผู้อื่นด้วยเป็นมหากุศลนักไม่ใช่จะเกิดมีให้เราได้ทำได้บ่อยๆง่ายๆในทุกพบทุกชาตินะไม่ใช่นะ บางทีมีเงินแต่ไม่มีโอกาสบางทีมีโอกาสแต่ไม่มีกำลังทรัพย์และบางทีไม่มีทั้งโอกาสและไม่มีทั้งกำลังทรัพย์เพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้จึงเป็นของหายากมีที่ใดในโอกาสใดพึงกระทำ ที่นี่อย่างที่ได้รับผลในมนุษยชาติอาตมาขอเล่าเรื่องอีกเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันพรามซึ่งเป็นเพื่อนของพรามผู้เป็นพ่อของพระสารีบุตรพรามผู้นั้นชื่อมหาเสนะพรามเป็นพรามตกยาก อยู่ในนครราชครึกเป็นเพื่อนของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อคือวังคันตาพราหมณ์พ่อของพระสารีบุตรพ่อพระสารีบุตรนมหาเศรษฐีเลยทีเดียวแหละมหาเสน่พราหมณ์ตกยากในขณะเดียวกันพระสารีบุตรก็นึกเวทนา พรามผู้เป็นเพื่อนของพ่ออยากจะปรดสาธุชนกำลังติดตามรับฟังธรรมบัญญายเรื่องทานย่อมให้ผลในปัจจุบันและในอนาคตจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดรา ช, ชบุรีซึ่งวันนี้ทางรายการนำมาให้สาธุชนได้รับฟังกัน เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเบื้องต้นนั้นก็คือทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลทั้งสามประการนี้จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจศึกษาควบคู่กันไปในการประกอบบำเพ็ญบุญกุศลเพราะว่าการให้การเสียสละนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดกิเลส คือความโลภในจิตใจของเราให้หมดไปให้เบาบางให้มีน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าบุคคลมีความเสียสละก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ตนบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างมากมายฝึกทำฝึกทำจนเป็นนิสยัยทำบ่อยๆเนืองๆจิตใจก็จะผูกพันอยู่กับการให้กับการเสียสละ ซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้ต้องการนักบุคคลที่มีความเสียสละมีความเอื้ออาทรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลผู้ด้อยกว่าตนทั้งในด้านทรัพย์สินเงินทองปัจจัยเครื่องยังชีพทั้งความรู้ความสามารถสังคมประเทศชาติกําลังต้องการบุคคลผู้มี จ, จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเช่นนี้วันนี้ก็ สารธรรมจากทางรายการธรรมะสู่สันติได้นำเรื่องทานกุศลมาให้สาธุชนได้รับฟังกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดไปจนถึงสังคมประเทศชาติโดยสวนรวมสืบต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมสู่สันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก่อนจากกันขอสาธุชนทุกท่านพึงทำจิตให้สงบด้วยการปฏิบัติภาวนาธรรมตามแบบที่สาธุชนได้ฝึกปฏิบัติมาด้วยดีแล้วทำใจให้สงบสักครู่ แล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลฝึกอย่างนี้อยู่เป็นประจำก็จะทําให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานรู้การประกอบบำเพ็ญบุญกุศลทั้งสประการที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเราควรจะทําอย่างไรสําหรับวันนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงคุ้มครองสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่าน ให้เป็นผู้ปราศจากเหตุพิบัติภัยผ่านทั้งปวงจงเป็นผู้ประกอบด้วยความคิดถูกเห็นถูกพูดถูกกระทำถูกแนะนำผู้อื่นถูกโดยทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร Thank you.